ทำหน้าต้องเรียนนะเนี่ยเราจะแขวนงป้ายว่าเราเป็นชาวพุทธไม่เป็นไม่ได้ชาวพุทธไม่เป็นโดยการเกิดไม่เป็นโดยการที่ไปจดทะเบีย น, นว่เาเป็นชาวพุทธเราจะเป็นชาวพุทธได้เราต้องเรียนศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราศึกษาแล้วเข้าใจรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงเบอปฏิบัติ เ, เกิดสมาทิทีิเป็นความรู้ถูกเข้าใจถูกเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงลําพังเกิดมาเป็นคนไทยศาสนาพุทธเพราะว่าพ่อแม่เป็นพุทธไม่ได้เป็นออทั้งพ่อทั้งลูกก็ไม่ได้เป็นด้วยแต่เลือกพุทธสมัยก่อนคนไทยผู้ชายทุกคนโดยประเพณีต้องบวชแล้วก็มีคำว่าบวชเรียน ไม่ใช่บวชเฉยๆบวชเราต้องเรียนแล้วไม่ได้บวชสิบห้าวันพันษาหนึ่งที่บวชต้งหลายพันศาจะรู้หลักแล้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตจริงๆได้ต่อมาระบบนี้เสื่อมไปเราพัฒนาประเทศจเจริญทางวัตถุขึ้นมา คนที่สนใจมาบวชมาศึกษาเลยมีน้อยมัยนไม่มีหลักสูตรอยู่ในกระสรวงศึกษาย่งมีหลักสูตรเยอะหลังๆมานี้ก็ไม่มีได้ข่าวว่าไม่มีนี่เราเด็กรื่นใหม่เป็นชาวพุทธไม่รู้พุทธยังไงไม่เคยเปี่ยนอะไรสักเรื่องวันก่อนมีเด็กมาหาวิไลแห่งหนึ่งนะไขอสัมภาษณ์หลวงพ่อปกติไม่ให้สัมภาษณ์หรอก เด็้เราจะสัมภาษณ์ไปส่งอาจารย์แล้วก็สัมภาษณ์พระดังๆด้วยใครเขาไม่ให้ไปสัมภาษณ์หรอกแค่สัมภาษณ์หลวงพ่อเลยแค่มันกราบพระมันยังกราบไม่เป็นเลยแล้วบอกเขาถามปัญหาธรรมะกับหลวงพ่อหน่อยว่าจุดทูบไหว้พระกับไหว้อุปปาปิกาเนี่ยจุดกี่ดอกอ๋ออย่าถามเลยวะ ไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่มีกลืนเลยอะ่ะไม่มีกลืนในความเป็นชาวพุทธเลยแ่เอาปัญหาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเอาไหมเวลาปวดน้ำเนี่ยต้องใช้น้ำด้วยไหมหมกแหม่ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยเป็นชาวพุทธนะหทํทำไมไม่ถามว่าเป้าหมายสูงสุดทางพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้เลยว่าเป็นชาวพุทธจะเป็นไปหาสวรรค์วิมานอะไร ไี่คิดว่าเป็นสรงเดชไปถามดนั้นถ้าชาวพุทธเราไม่รู้นะว่าเป้าหมายของความเป็นชาวพุทธเราอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงเป้าหมายของความเป็นชาวพุทธเราเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทของทุกข์ไม่ใช่เพื่อเรื่องอื่นไม่ใช่เพื่อเรื่องเิงเรื่องโชคดีเรื่องอย่างน้นเรื่องอย่างนี้ ไมเป็นเรื่องว่าทํำยังไงจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงน้อยลงจนวันหนึ่งไม่ทุกข์จริงๆนี่เป้าหมายปลายทางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นชาวพุทธไปอย่างนั้นแหละถึงวันเกิดทีก็ใส่บาตร ท, ทีหนึ่งอย่างก็ว่าวันอื่นพระไม่กินข้าวน่อยให้กินเลยเฉพาะวันที่มันเกิดตัวเองหรือตายก็หามเข้าวัดไปพนี่เป็นชาวพุทธไม่ใช่นะั เผาศพเผาขยะมันไม่ได้ต่างอะไรกันเดี๋ยวนี้บางวัดนะพัฒนารู้ว่าคนรักสัตว์นะรับเผาหมารับเผาหมาเผาแมวนะมีพิธีเหมือนเผาคนเลยละแล้วค่าตั้งศพหมานี่แพงนะแพงไม่ได้แพ้ตกคนเลยบอกเนี่ยพาหมาไปเผาอย่างนี้เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นหรอกถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นชาวพุทธทันทีจุดหมายปลายทางต้องไม่ทุก ต้องพ้ทุกข์นี่ถ้าเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วเราก็ต้องมาเรียนต่อวิธีการทํำยังไงเราจะไม่ทุกข์อ น, นี้ก็ต้องเรียนนั่นอย่าเป็นชาวพุทธโดยที่ไม่เรียนอะไรสักเรื่องหนึ่งลนะจุดหมายปลายทางก็ไม่รู้วิธีที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางก็ไม่รู้ถ้าทําอะไรสักอย่างหนึ่งกระทั่งทํามาหากินเรายังไม่รู้เลยว่าทําไปเพื่ออะไรนี่ก็ล้มเหลวแล้วเราจะทําท ตั้งองค์กรขึ้นมาสักองค์กรหนึ่งจะทํางานเนี่ยต้องมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนจะ ไ, ไปสู่จุดอะไรเนี่ยถ้าทําธุรกิจเนี่ยเราต้องการกําไรกนะ็ต้องชัดเจนเรามีวิธีการยังไงที่จะทําให้ได้กําไรแล้วถ้าเป็นชาวพุทธยจุดหมายปลายทางเพื่อความพ้นทุกข์ทำยังไงจะไม่ทุกข์คนเราเป็นทุกข์ได้นะทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยแล้วสโพบหือขอบเขต ของการเรียนธรรมะเนี่ยจะเรียนลงมาที่กายที่ใจไม่ได้ไปเรียนที่อื่นหรนั้นทุกข์มาอยู่ที่กายทุกข์มาอยู่ที่ใจแล้วเข้ามาไปเชิญหน้ามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจให้มากๆะเจอกระทั้งวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงถ้าเรียนไปฝึกไปอบรมจิตใจไปมากๆเนี่ยความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวเข้ามาไม่ถึงใจนั้นจะมีความทุกข์ที่เดียวคือที่กาย แต่ทางใจไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันมีอะไรมันมีบรลมบำสุขมันไม่ใช่สุขธรรมดามันเป็นบรลมบสุขเพราะว่าใจของคนที่หมดกิเลสแล้วนะคนทุกข์สิ้นเชิงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเสียดแทงได้อีกใจใจของเราเนี่ยนะกความสุขก็เสียดแทงได้ความทุกข์ก็เสียดแทงใจเราได้ความดีก็เสียดแทงใจเรานะความชั่วก็เสียดแทงใจเราในใจของคนที่ฝึกสุดขีดแล้วนะ ไม่มีอะไรมาเสียดแทงใจได้นั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้เลยถนะ้านบอกมันเป็นบรมมัสุขด้วยซ้ําไปจิตที่สัมผัสพระนิพพานนะพระนิพพานนะั้นเป็นบรมณ์มัสุขเลยนั่นเรียกว่าอะไรนิพพานังปรามังสุ ข, ขังฝ ร, รังปรามังบรมนั่นสโคบหรือขอบเขตของการเรียนรู้ทุกข์นะทุกข์ท่านบอกว่าให้รู้ไม่ใช่ให้ละส่วนใหญ่จะหักอยากละทุกข์ รู้ทีเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกทุกมาอยู่ที่กายละมันได้ยังไงทุกมาอยู่ที่ใจถ้าดูเป็นนะรู้ว่าตัวใจเป็นตัวทุกข์ละไม่ได้หรอกแต่ว่าพอใจไม่ยึดถืออะไรใจก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นงั่นเราจะมาเรียนนะรู้ทุกทุกคือต้องรู้นะไม่ใช่ทุกต้องลกตรงนี้คนส่วนใหญ่ก็ยอมไม่ได้คนส่วนใหญ่อยากละทุกไม่อยากรู้ทุก บางคนทำบุญนะอธิษฐานเจ้าประคุณให้ห่างไกลความทุกข์เหมือนโยอดแสนโยดนอดอย่างเงี้ยอธิษฐานอย่างเงี้ยถ้าห่างไกลความทุกข์เนี่ยจะไม่เห็นธรรมความทุกทข์กับธรรมเนี่ยคาบเกี่ยวกันนิดเดียวเองถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหก็เห็นธรรมเ่อ น, นั้นแหะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์จิตจะวิป่อยวางกายวางใจลงไปพอจิตปล่อยวางกายวางใจได้แล้วเนะี่ย ก็พ้นทุกข์สัมผัสบรมสุขได้เพราเรื่องของทุกข์นี่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับชาวพุทธเราเราต้องรู้ว่าหน้าที่เราต้องรู้ทุกข์เรียนรู้มันเรียนรู้แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตรู้ความจริงของทุกข์แล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความทุกข์เข้าถึงความบรมสุขสันติสุขสันติสุขคําว่าสันติเนี่ยคือคำว่านิพพานนั่นเองนิพพานเนี่ย มีสันติลักษณะคือมีลักษณะสงบสันติเนี่ยเราจะต้องค่อยๆมาเรียนนะค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกตัวเองไปเรารู้แล้วแหะว่าเป้าหมายของการเป็นชาวพุทธเนี่ยเพื่อความพนทุกข์สิ้นเฉิงสิ่งที่เรียกทุกข์เนี่ยนะคืออยู่ที่กายที่ใจนี่แหละต้องมาเรียนที่กายที่ใจนี่แหละไม่ได้ไปเรียนที่ื่นแล้วก็ทําหน้าที่ทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้เนี่ยเราคอยรู้อยู่ที่กายคอรู้อยู่ที่ใจ ไม่ใช่ไปรู้เรื่องอื่นไ่รู้ตำรับตำลาหน้อ่านัมภีอะไรได้เยอะแยะเลยรู้ตำราหมดเลยพุทธเจ้าสอนอะไรก็รู้รู้แต่ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่พลุกพลุกหรอกค่อยๆฝึกพยายามกลับมานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เราจะเรียนรู้ทุกหรือเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองได้ขั้นแรกเลยเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวเป็น ถ้าเราลืมตัวเองใจลอยเนี่ยเวลาที่ใจลอยมีร่างกายเราลืมร่างกายเราจะไปเรียนรู้ทุกในกายได้ยังไงถ้าเราใจลอยนะมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองเแล้วเราจะมารู้ความทุกข์ในจิตใจได้ยังไงงั้นจุดแรกเลยที่เราต้องฝึกก็คือฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นถ้าเรารู้สึกตัวไม่เป็นใจเราจะล่องลอยไปหรือพอลงมือปฏิบัติ รู้สึกตัวไม่เป็นนะจะไปจ้องเ อ, ไอาไว้จะไปเพ่งไปจ้องที่ร่างกายหรือเพ่งจ้องจิตใจไว้ศัตรูของการที่จะรู้กายรู้ใจรู้ทุกก็คือมีสองอันอันหนึ่งที่เรียกว่าการสุขาริการโยคใชจมันหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหลงอารมณ์ภายนอกนะไม่สนใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองอีกอันหนึ่งก็คือการบังคับกายบังคับใจ เพ่งกายเพ่งใจเอาไว้ okay. เพ่งมากๆนะความจริงก็ไม่ปรากฏให้เราเห็นตามทันไหมหลวงพ่อเทศเนี่ยในฐานะที่มีคนที่ไม่เคยฟังแค่ห้าคนนะล่านั้นถือว่าเคยฟังแล้วงั้นเทศไม่ไม่ง่ายนักหรอกนะเทศแบบสรุปให้ฟังเลยอัน แ, แรกเลยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยต้องปรับทุกข์ต้องพ้นทุกข์ สิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในร่างกายในจิตใจหรือในรูปนามนี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นะเราต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจตรงนี้ทันไหมเพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจใช่ไหมเราจะรู้ทุกข์อ่ะถ้ารู้ทุกข์ได้ก็พ้นทุกข์ได้ไม่รู้ทุกข์ไม่พ้นทุกข์หรอกเฉะนั้นต้างคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้นะเพื่อจะได้เห็นว่า ความทุกขมันอยู่ที่กายที่ใจได้เนี่ยอันแรกเลยต้องไม่ใจลอยไม่เผลอลืมเน้อลืมตัวอันที่สองต้องไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติถ้าเราบังคับกายให้ผิดธรรมชาตินะทําอะไรก็แข็งไปหมดเลยนะเหมือนที่เข้าฝึกกรรมาฐานกันนะฝึกสกตัวแข็งเลยจะหันหน้าไปมองอะไรเฉยๆนันะ้นได้ยินเสียงเหมือนขอโมยงัดบ้านตื่นขึ้นมากลางดึกจะลืมตาก็ กำหน่อจะลืมตาละลืมตาแล้วลืมแล้วลืมแ ล, ล้วจะหันไปดูซิเสียงอยู่ทางไหนไๆหานขโมยขนของไปหมดบ้านแล้วยังไม่รู้จักเตียงเลยนะไม่ได้กินหรอกเป็นบังคับตัวเองมากไปไม่ดีแล้วอีกพวกหนึ่งไม่ได้บังคับที่กายนะเป็นบังคับที่ใจ ทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติที่ไรนะบังคับใจให้นิ่งทุกอย่างทำใจขลุ่มๆทาใจให้แข็งชื่อเนี่ยเป็นการแทรกแซงตายแทรกแซงใจนั้นจะสุดโต่ไปข้างที่เรียกว่าอัตตะกิลมัฐานโยกการทําตัวเองให้ลําบากางั้นสิ่งที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้มี2 อ, อย่างเท่านั้นอันหนึ่งที่เรียกว่าความสุ ข, ขาริการโยกจิตหลงไปในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรส หรือไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอะไรพวกนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากา ร, รมคุณอารมณ์มันเป็นที่ดึงดูดใจให้เข้าติดเป็นกา ร, รมคุณอารมณ์งั้นเวลาที่ใจเราสนใจอยากดูรูปเนี่ยเราจะลืมตัวเองเวลาอยากฟังเสียงนะไปจดจ่ออาการฟังเสียงเราจะลืมตัวเอง เวลาได้กลิน่นสนใจที่กลิน่นเราจะลืมตัวเองเวลากินของอร่อยนะ้วสนใจที่รสอร่อยเราจะลืมตัวเองเวลามีอะไรมาสัมผัสร่างกายเราสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราจะลืมตัวเองยกตัวอย่างอย่างเราเดินเดินไปนาะเราเห็นสาวสวยเนะี่ยสาวสวยตามองเห็นสาวสว ย, สวสวยใจมัชอบเราก็มองตามเดินสวนกันนะมองไปขาเราก็เดินไปตกท่อไปเลยไม่รู้เรื่องนะ อยู่ๆสาวหายวับไปกับตาเพราะสาวยังเดินต่อไปแต่ตัวเองลงท่อไปแล้วมันลืมตัวเองลืมตัวเองนั้นถ้ามันลืมตัวเองแล้วเวลามันไปดูรูปมันก็ลืมตัวเองเวลามันไปฟังมันก็ลืมตัวเองคนเวลาคุยโทรศัพท์ไปเจ็ดไห้เคยเห็นคนคุยโทรศัพท์ไหมคุยคุยแล้วเดินคุยนะหันใต้หันมาคุยนะไปดูหน้าเถอะหลง เมื่อขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกตัวเองเลยบ่แต่ฟังเขาว่าแต่คิดโต้ตอบเขาอะไรเงี้ยขนาดนั้นลืมตัวเองตลอดนั่นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะที่ทําให้เราเรียนรู้ทุกไม่ได้ที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้เนี่ยคือความใจลอยเป็นศัตรูร้ายเลยนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยใจลอยทั้งชาติอ่ะใจลอยตั้งแต่เกิดจนตายใจลอยตั้งแต่ตื่นจนหลับสังเกตดุไหมตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยคิดไปตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องแล้วย ตื่นมามัก็คิดเลยวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันนี้หยุดชดเชยหรือเปล่าทำไมชดแล้วมันเชยนะหาเรื่องคิดไปได้เรื่อยๆนะมันชดแล้วมันน่าจะดีมันชดแล้วมันเชออยอีกนะนะคิดได้ลึกว่าวันหยุดนะดีใจนอนอีกหน่อยลึกขึ้นได้ ว, วันนี้เลยวันหยุดแล้วตกใจนะนะสบายใจก็ไม่รู้ตกใจก็ไม่รูนะ้ไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองเลย พวาเราตอนตื่นนอนใครรู้สึกได้บ้างนะว่าอยู่ในท่าไหนว่าร่างกายอยู่ในท่านอนนอนอยู่ในท่าไหนเหมือนตอนที่เริ่มนอนไหมใครตอนที่ตื่นนอนยังอยู่ในอิริยาบถเดิมกับตอนที่เริ่มนอนมีไม่ยกมือหน่อยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเปลี่ยนไปอย่างน้อยแข้งขามันจะเจกะ่าะออกมานะรู้สึกไหม ตื่นนอนปุ๊บเนี่ยรู้สึกไม่ร่างกายอยู่ในท่าไหนหรือถ้าละเอียดขึ้นไปนะตื่นนอนปุ๊บเนี่ยรู้ไหมว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าหาคนรู้สึกได้ยากเต็มทีนะมีแต่ตื่นนอนขึ้นม า, าคิดทันทีเลยใจหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดเนะี่ยมีแต่ทำให้ลืมตัวเองตลอดมีกายลืมกายมีใจลืมใจเพราะั้นมีแต่เรื่องหลงลืมตลอด เมื่อมันลืมกายลืมใจแล้วมันจะมาเรียนรู้กายรู้ใจคือมาเรียนรู้ทุกเนะ่เรียนไม่ได้เพราะมันลืมตัวเองซะแล้วสนามทดสอบหรือบทเรียนของเราอยู่ที่กายที่ใจลืมบทเรียนแล้วจะหาความรู้ได้ยังไงเนี่ยต้องฝึกนะพยายามรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยบอกว่าท่านไม่เห็นทำอย่างอื่นนะแม้แต่สิ่งเดียวที่จะช่วยทาให้กุศลเนี่ยจเจริญขึ้น ทำให้อคูศนที่มีอยู่ดับไปนอกจากความรู้สึกตัวใความรู้สึกตัวเนี่เรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยตอนเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเรื่องความรู้สึกตัวนะี่คุนหัวเลาะย่ อ, เ, ยอเลยนะบอกทำไมไม่สอนพุทธโธไม่สอนหายใจไม่สอนเดินจงกรมก็มาสอนเรื่องรู้สึกตัวไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยับความรู้สึกตัวถึงขนาดบอกว่าไม่มีทำอย่างอื่นเลยที่ท่านเห็นว่า จะทําให้กุศลเจริญให้อาภูษณ์ดับไปเหมือนกับความรู้สึกตัวดังนั้นเราต้องคอยฝึกให้รู้สึกตัวให้ได้อย่าใจลอยนะคนส่วนใหญ่นะยิ่งแก่ยิ่งใจลอยเพราะมันประเภทใจลอยมาตั้งแต่เด็กแล้วสะสมมานานวิทยายุทธแก่กล้าใจลอยทั้งบวันนั่งเออเหรอใจลอยนะลอยไปอดีตมั่งถ้าเป็นเด็กๆก็ใจลอยไปอนาคตถ้าแก่แล้วก็ใจลอยไปอดีตพวกเรา มีใครใจลอยไปอนาคตบ้างชอบคิดเรื่องอนาคตเพรยังเด็กนะหน้าตาไม่ให้เลย <laughs> ใครชอบคิดถึง อ, อดีตยังไม่ซื้อ ม, มีไหมมีไหมมีไหมไม่ค่อยกล้ายกกล <laughs> ัวจะบอกว่าแก่แต่จริงจริงแก่คนแกเนี่ยอดีตมันยาวอนาคตมันหดหูมีแต่เรื่องสูญเสียไม่อยากคิดถึงนะ่ะ มีแต่เรืองความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายนะความพลดัพลดพรากเนี่ยถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อนะเพื่อนรี่เรียนรุ่นเดียวกันนะตายไปทั้งเยอะละตายไปเยอะและ้ะเนี่ยพอคนแก่นะีให้ไปคิดถึงอนาคตนะเดี๋ยวไม่คิดว่าไอ้คนนิ่มตายอย่างคนนิ่มตายอย่งเคยได้ยินคนแก่คุยกันไหมเวลาคนแก่ไปชุมนุมศิษย์เก่าเนะี่ยจะถามไอ้ i, นั่นตายหรือยังเนี <laughs> ่จะไปแบบนี้นะ ไม่มีถามหรอกมันมีมันไปมีลูกไหมไม่ถามแล้วนะมันไปมีเมียหรือเปล่าไม่ถามมันถามมันตายยังไงคนนั้นมันตายยังถามใตเรื่องเนี่ยไม่รู้ไปชุมนุมหาสวรรค์วิมานอะไรนะเนี่ยเพราะคนแก่นะอดีตเนี่ยมันยาวนานนะมีความสุขผ่านมาแล้วอนาคตเนี่ยมีแต่ความหดหู่มองไปข้างหน้านะมีแต่ความสูญเสียดังนัคนแก่นี่ชอบคิดอดีตส่วนเด็กๆเนี่ยนะมันฝันเฟื่องไปถึงอนาคต ใจไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วตรงไหนอะที่มันจะอยู่กับปัจจุบันตอนยังหนุ่มยังสาวนะก็คิดถึงอนาคตตอนแก่ก็คิดถึงอดีตไม่มีใครอยู่กับปัจจุบันงั้นพวกเราเนี่แหละพวกพาเรล่าพากอไม่เหมือนคนอื่นเขานะเราจะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรบ้างปัจจุบันตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หายใจออกหรือตอนนี้หายใจเข้า นี่คือการปฏิบัตินะมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดเลยเราไปวาดภาพว่าการปฏิบัติต้องทําอย่าง น, านั้นต้องทําอย่างนี้นะเรื่องมากอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนรู้สึกตัวขึ้นมานะตอนเนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยตอนนี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปรู้สึกไปแต่ไม่ใช่ไปบังคับตัวเองนะตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกนะ เครียดไปหมดเลยใช้ไม่ได้นะที่สุดตกไปข้าบังคับตัวเองอีกแล้วตอนนี้นั่งอั น, นนี้ขันแล้วอยากเกาจัดเกาแล้วนะหายคันไปก่อนแล้วยังไม่ทันเกาเลยอนะย่างนี้ก็บังคับนะสุดตกไปข้ า, บ, าบังคับน้่ศัตรูของความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะมีสองงานเองใจลอยไปหลือลืมตัวเองนะกลับไปแทกแซงบังคับกายบังคับใจ ขนาดเนี้ยเรานั่งอยู่แล้วถ้าหลวงพ่อบอกานั่งสมาธิสิจะรีบขยับเลยนะถ้าไม่เคยฟังหลวงพ่อมาก่อนนะเอานั่งสมาธิสิขยับร่างกายเรียบร้อยล้วต้องทําใจขลุ่มๆไม่งั้นไม่เรียกว่าปฏิบัตนะิะไม่เข้าใจคําว่าปฏิบัติผิดอย่างร้ายแรงเลยนะให้รู้กายอย่างที่กายเป็นอยู่นะกายกําลังเป็นยังไงรู้สึกไปใจเราเป็นยังไงรู้สึกไปขณะเนี้ย ใครมีความสุขบ้างรู้สึกไหมยกมือซิคนไหนมีความสุขคนไหนมีความทุกยกมือซิคนเดิมยกไม่ได้นะเพราะสุขกับทุกเกิดร่วมกันไม่ได้นะคนไหนเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกยกมือซิแน่ใจนะแยกเขี้ยวจนเห็นฟันสามสิบสองซี่แล้วบอกว่าไม่สุขเลย <c oughs> <c oughs> มีนะมีจริงๆบางคนยิ้มนะแต่ว่าไม่สุขเลย เพราะอะไรเราเพ่งเอาไว้ถ้าคนไหนยิ้มหวานแล้วก็ใจก็ยังเฉยอยู่แสดง ว, ว่าเพง่งมันยิ้มแต่หน้าแต่ใจมันไม่ยิ้มดั้วเราบังคับอยู่มีเหมือนกันส่วนใหญ่นักปฏิบัติอนะจะเป็นอย่างนั้นรู้สึกตัวหรื อ, อยังตอนนี้ลองพยักหน้าสียิเรากินข้าวใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นงพ่อจะต้องให้เราเคลื่อนไหวหน่อย งั้นเดี๋ยวจะพากันนั่งหลับนทะ่านพวกเราส่วนมากนั่งหลับหลวงพ่อก็จะหลับด้วยหลวงพ่อเป็นประชาธิปไตยนะ <c oughs> ตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมรู้สึกไหมตัวนี้หัวเราะไม่ใช่หัวเราะแล้วก็รู้สึกนะแต่ทําใจชื่อๆรู้สึกผิดธรรมชาตินะคนหัวเราะ อ, อย่างนั้นเรียกว่าหน้าเนื้อใจเสือหน้าเนื้อคือเนื้อหน้าเป็นกวางยิ้มหวานตาหวานใจเป็นเสือใจกําลังเยี่ยมเกรียม เราต้องเประเพศหน้าตาก็สดใสนะจิตใจก็สบายยิ้มหวานยิ้มซิยิ้มให้ใจมีความสุขเนี่ยถ้ามีความสุขอย่างนี้นะรู้สึกไหมร่างกายกําลังยิ้มอยู่เราพยักหน้าซิด้วยใจที่สบายๆรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกอีกช็อตหนึ่งรู้สึกไหมตัวที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เรารู้สึกไหมตัวที่พยักหน้าอยู่ไม่ใช่เรา ถ้ารู้สึกไปถึงช็อตนี้ได้นะนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเริ่มเรียนรู้ได้เห็นความจริงแล้วทิ่จริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจหรือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้สักอย่างหนึ่งอย่างร่างกายนยีสั่งว่าอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็ตายจิตใจเรานะบอกอย่าไปรักมันก็รักนะอย่าไปเกลียดมันก็เกลียดเราห้ามมันไม่ได้ ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้โลกนี้เราอาศัยอยู่แต่เราควบคุมอะไรไม่ได้จริงเอายิ้มหวานอีกทีแล้วรู้สึกแต่ร่างกายยิ้มรู้สึกไหมเราพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะคําว่ารู้สึกเนี่ยพอดีแล้วอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องถ้าไปเพ่งแล้วพยักหน้าคล้ายคล้ายกิงก่าช่างหัวรุกๆเนี่ยนะแข็งแข็งอะ ขยับมือซื้อไม่ต้องมองมือตัวเองนะไม่ต้องมองรู้สึกไหมว่ามือขยับนี่เรียกว่ารู้สึกไม่ต้องไปมองใส่มันมันเคลื่นไหวแล้วก็รู้สึกแล้วต่อไปนี้นะกระดุกกระดิกแวะกระดุกกระดิกแล้วก็ค่อยรู้สึกไปเห็นร่างกายรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าร่างกายมันกระดุกกระดิกไปแล้วสักพักหนึ่งนะมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายที่กระดุกกระดิกอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเรา ต่อไปพอใจมันเข้าใจถ่องแท้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเพราะร่างกายมันแก่จะไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บจะไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายจะไม่ใช่เราตายต่อไปนั่นจะไม่หวั่นไหวเลยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็ทางจิตใจเนี่ยเราก็คอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราเมื่อทีใจเราก็สุขบางทีใจเราก็ทุกข์อย่างขนาดนี้ยกระแส ง, ง่วงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมอพอหลวงพ่อเลิกพูดตลกแนะ้ว ความง่วงก็เริ่มเข้ามาปกติเนี่ไม่ชอบเทศหรอกบ่ายโมงนะเป็นเวลาที่ควรจะนอ น, นแต่และคนอยากหลับแล้วล่ะมาฝืนตาฟังเทศเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ค่อยดีหรอกนแต่ว่ามันจําเป็นต้องเทศตอนนี้พยายามรู้สึกร่างกายนะรู้สึกรู้สึกไว้รู้สึกไว้แล้วหรือจะคอยรู้สึกใจก็ได้ถ้าใจมีความสุขก็รู้สึก ใจมีความทุกข์ก็รู้สึกใจเป็นกุศลก็รู้สึกใจโลภใจโกรธใจหลงใจทุ้สร้างใจหดหู่รู้สึกอย่างที่เขาเป็นเราใช้ความรู้สึกเอาเราไม่จ้องเราไม่เพ่งเราไม่จงใจมากถ้าเราจงใจมากมันจะแน่นแน่นพอไหวไหมว่าคนนั้นใจเด็ดจริงๆนะกําลังหาวอยู่นะอาปากพอไหวไหมน่าเอ็นดู ใจถึงจริงๆレスฟอนด์ดีมาก<笑>ยังห า, าปากค้างอางตอนนี้หายใจออกหรืหายใจเข้าตอนที่หรางพ่ถามรู้สึกไหมเนี่ยใครรู้สึกตัวไปสบายๆายอย่าไปบังคับใจเลยนะอย่าไปบังคับใจร่างกายหายใจออก ร, รู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่บังคับใจใช้ใจที่ธรรมดาอย่างนี้ ความยากของการปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ใจที่ธรรมดาอย่างเนี้ยไปรู้อารมณ์ได้ยังไงส่วนมากทันทีที่คิดจะไปรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามนะใจจะผิดธรรมดาไปละใจจะแน่นๆ่นอนะึดอัดมันจงใจมากไปใหนะ้เราจะใช้ใจที่เป็นธรรมชาติใช้ใจที่เป็นธรรมดาใช้ธรรมดามันดียังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าโดยธรรมชาติของใจเนี่ยนะธรรมชาติเดิมของมันเนี่ยผ่องใส มันเศร้าหมองเพราะอุปาคิเลสนะอุปาคิเลสจอมาเป็นคราวๆอุปกิเลสเข้ามาแนละ้วเดี๋ยวกิเลสก็เกิดแดงๆงันะ้นได้รับใครรู้สึกไปนะใช้ใจที่เป็นธรรมดามันจะผ่องใสมันจะสว่างอยู่แล้วนะบางคนไปนั่งสมาธินะพอเริ่มนั่งก็เริ่มมืดเลยนะใครเคยเป็นไหมพอเริ่มนั่งก็เริ่มมืดดำแล้วก็ไปนั่งเมื่อไหร่จะสว่างวะจะสว่างท้ายากตัวสี่ ไม่เห็นยากเลยนะลืมตาก็สว่างแล้วนะก็เองเล่นเริ่มต้นเองก็หลับตาแล้วเมื่อไหร่จะสว่างวะนะหาไปฉายมาส่องหน้าสักดวงหนึ่งก็สว่างแล้วคิดอะไรไม่มีเหตุผลงั้นพ <นะ S 2> อนานลืมตาอยู่อย่างนี้แหละใจที่เป็นปกติที่สุดเนี่ยพองใสยอยู่แล้วนกิเลสมันแทรกทําให้ใจเรามัวเนี่ยพอเราอยากปฏิบัตินะเราโลภแล้วลงมือปฏิบัตินะก็น้อมจิตให้ซึมไป เป็นราหลงมีโมหะแล้วพอมีโมหะครอบเขาไปมืดตึตืต้อเลยเไปนั่งทู่สีดูอยู่เมื่อไหร่จะสว่างเมื่อไหร่จะสว่างถ้าเองเลิกปฏิบัติก็สว่างทันทีเลยเลิกเลิกมารยารู้สึกกายอย่าที่กายเป็นรู้สึกใจอย่าที่ใจเป็นรู้ไปด้วยใจที่ธรรมดานี่ได้มันสว่างอยู่แล้วนั้นพระพัดสอนอยู่แล้วแต่จิตที่พระพัดสอนเนี่ยมันไม่สะอาดพองใสนะกับบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคนละคำกันนะ น้ำที่ใสเนี่ยจาเป็นต้องบริสุทธิ์ไหมน้ำที่บริสุทธิ์จาเป็นต้องใสไหมจาเป็น <c oughs> เนีทยถูกต ก, กะหลอกนะน้ำที่ใสไม่จาเป็นต้องบริสุทธิ์ใช่เชื้อโรคมันมาอยู่เราไม่เห็นอะสารแนรลอยเข้าไปอยู่เราไม่เห็นอะแต่น้ำที่บริสุทธิ์อะมีสีมีกลิ่น ม, มีรสไม่บริสุทธิ์แล้วนะดังั้นจริงๆแล้วใจเนี่ย ใจของเราเนี่ยโดยสภาพตั้งเดิมของมันนะผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ตัวสําคัญเลยคือมโง่ป็นโง่คือมันไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจนะไม่รู้ความจริงของกายของใจก็คือไม่รู้ทุกนันเองสิ่งที่เรียกว่ากายว่าใจนะถ้าเราเบื้องต้นเราก็คิดว่ากายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ใจเป็นที่ตั้งของความทุกทข์ความทุ ก, นะทกข์ไม่ตั้งอยู่ที่อื่นตั้งอยู่ที่กายที่ใจ นี่เป็นปัญญาขั้นต้นๆเท่านั้นนะแต่ถ้าภาวนาจริงๆแล้วถึงวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงร่างกายนี้แหละคือตัวทุกข์จิตใจนี้แหละคือตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองนะไม่ใช่ว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์เท่านั้น ะ, นะตรงที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์เนี่ยเพราะเรายัางไม่รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งแล้วเราจะรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ นี่ถ้าเราเรียนรู้มากๆนะเราค่อยๆดูกายดูใจค่อยๆสังเกตค่อยๆศึกษาไปถึงจุดหนึ่งในเข้าใจความจริงกลยนี่คือทุกข์ใจนี่คือทุกข์เรียกว่าเรารู้ทุกข์ละนะรู้ทุกข์เนี่ยเป็นจิตสำคัญในอริยสัจสี่อริยสัจ4ี่รู้จักไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรตนะทุกข์อะไรเป็นทุกข์ทุกข์บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดลากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักนะ ความไม่สมสรารถนาเป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไรลาพันธ์ความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจเรีมมยกว่าเป็นทุกข์แต่โดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือรูปนามกายใจเนี่คือตัวทุกข์ท่านสอนไว้แล้วนะในธรรมะดังนันจริงๆแล้วกายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่ตั้งของตัวทุกข์หรอก เน่ถ้าใจมันจเจริญปัญญาแก่กล้าขึ้นมามันรู้เลยร่างกายคือตัวทุกข์เนี่ยจิตจะไม่ยึดถือกายถ้าปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดจะรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์มันจะไม่ยึดถือจิตเมื่อไม่ยึดถือจิตตัวเดียวนี่จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกและนะความมีมุตลุดพ้นก็อยู่ตรงนี้เองนะถึงที่สุดแห่งทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้ว่าอะไรรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่มีสงวนว่ากายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะ จะเห็นเลยตัวใจนะี่แหละตัวใจนะี่แหละตัวทนะุกข์เลยเป็นจุดตั้งต้นของทุกข์ทั้งหมดเลยใจนี่เหมือนเมล็ดของต้นไม้นะเหมือนเมล็ดมะม่วงเนี้ยเอาวิชาคือความไม่รู้เหมือนต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดเนี้ถ้าเราพาวนาไปนะั้นทํำลายต้นอ่อนนี้ลงไปคือทํอาลายอวิชาความไม่รู้ทุกข์ลงไปทันทีที่ตัวทุกข์ถูกเรารู้แจ่มแจ้งแล้วนะว่ารูปนามขันห้ากายใจนี้คือตัวทุกข์ รู้ตรงนี้ปุ๊บลงไปตัวสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกนะเมื่อนั่นจะละสมุ ท, ทยัยเพราะว่าที่เรามีสมุ ท, ทยัยมีตัณหาเนี่ยไปดูเธอตัณหาเนี่ยมันคืออะไรตัณหาเนี่ยมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันอยากให้กายให้ใจคนทุกเดี๋ยวเราอยากไปดูหนังเพื่ออะไรเพ่จะได้มีความสุขใช่ไหมอยากไปเอ็กซ์ไซส์เพื่ออะไรเพื่อจะมีความสุขนะ จริงๆนี่ต้องการให้ร่างกายเป็นสุขต้องการให้จิตใจเป็นสุขต้องการให้ร่างกายไม่ทุกข์ต้องการให้จิตใจไม่ทุกข์แต่เมื่อไรที่ปัญญาแก่กล้าสาถึงขีดสุดเลยนะมีความสามารถเห็นถึงขีดสุดเลยหร Sent ือว่ากายคือทุกข์ใจคือทุกข์เนี่ยความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์เนี่ยคือความไร้เดียงสามันคือตัวทุกข์แต่อยากให้มันไม่ทุกข์นี่ไร้เดียงสานะหรือว่ามันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันเป็นสุขนี่ยิ่งไร้เดียงสาหนักขึ้นอีก งั้นตัวอยากเนี่ยตัวสมุทัยเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเราจะละตัญหาได้เด็ดขาดนะเมื่อเรารู้ทุกได้เด็ดขาดรู้ทุกได้หมดจดนะงนั้นการที่เราจะคอยรู้สึกใจรู้สึกใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะถึงวันหนึ่งรู้ความจริงของกายของใจอย่างถ่องแท้เรียกว่ารู้ทุกเจ่มแจ้งสมุทัยคือตัวตัญหาตัวความอยากจะไม่เกิดเมื่อตัญหาไม่เกิดเนะี นิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาไม่ต้องไปหานิพพานที่อื่นหรืนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวมารับอาหารบิณฑบาตอะไรไม่มีเลยดังนั้นนิพพานเป็นนิมิตตั้งนั้นเลยใช้ไม่ได้นะไม่ใช่นิพพานของชาวพุทธหรอก น, นิพพานคือสภาวะที่ไม่มีตัณหาถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยจะไม่มีความทุกข์นะแล้วเวลามีความอยากมีความทุกข์ไหม พวกเราสังเกตนะถ้าปัญญาเรายังไม่แก่กล้าเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกว่ามีความอยากแล้วมีความทุกข์เราจะเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์นะอยากเนี่ยไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากแล้วทุกข์อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะถ้าเราหัดภาวนาให้ดีเราจะพบว่าทันทีที่อยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วเวลาอยากอะไรได้อยากอยากได้อะไรสักอย่างใจเครียดแล้วรู้สึกไหมอยากจีบสาวสักคนนะมีความสุขไหมล่ะใจก็เครียดแล้วนะ อยากจะได้มือถือใหม่ใชจเขาเครียดแล้วนะอยากจะไปน้อนอยากจะไปนี่นะใจรขาเครียดแล้วนั้นทันทีที่ปัญหาเกิดนะความอยากเกิดแล้วความทุกข์ก็เกิดทันทีเลยนี่ถ้าปัญหาไม่เกิดอีกความทุกข์ไม่มีนะควา ม, มทุกข์มันจะเกิดข I mean. ึ้นมาไม่ได้อีกะเราจะแจ้งนิโรธเลยแจ้งสภาวะที่สิ้นปัญหาแล้วในขณะนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองงั้นการรู้ทุกข์ลาสมุทัยแจ้งนิโรธ จเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขนาจิตเดียวนี่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องฝึกนะอย่าลึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่เรื่องข่างตัวว่าเราโมยไปคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องห่างไกลเราก็เลยท้อถอยไม่ยอมปฏิบัติสักทีธรรมะเนี่ยปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ได้ผลแล้วนะอย่างขณะเนี้พยายามรู้สึกตัวก็ดีดีกว่าหลงนะ ได้ผลแล้วคือความหลงมันเข้ามาไม่ได้เอย่าเรามีศีลเนี่ยก็มีผลของศีลทันทีเราทําทานก็มีผลของทานทันทีเวลาเราให้อาหารสัตว์เนี้ยนะสรือเราไปเลี้ยงปลาให้อาหารปลาในแม่น้ํานะไม่ใช่ปลาตู้นะอย่นี้ให้อาหารลงไปนะตังเกตดูใจขนาดนั้นจะมีความสุขนะเรามีทานเราก็มีความสุขเดี๋ยวนั้นแหละมีศีลเราก็มีความสุขนะมีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุข ยิ่ถ้ามีวิมุตต์นะใจมันวางความยึดถือในรูปนามมันมีความสุขมหาศาลสุขขนาดที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะว่าสุขเหมือนปางตายสุขเหมือนจะตายเลยนะเพราะมสุขมหาศาลไม่ใช่ทุกปางตายนะทั้งหนึ่งพยามิลินมีรันเตอร์เป็นพวกกรีเป็นพวกชอบโต้เถียงไปถามพระนาคเสนบอกว่าจริงไหมพระกุณเจ้า พี่ปาพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าบรรลุพระอราหันต์แล้วนะแล้าไม่ได้บวชในวันนั้นนะจะตายท่านนักเสกบอกจริงมิรันเดอร์ก็รีบโจ่งตีเลยศา ส, สนาพุทธไม่ดีถ้าปฏิบัติแล้วบรรลุพระอราหันต์แล้วตายเนี่ยแสดงว่าอารหัตตมรรคเนี่ยคือเพชฌฆาตเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากท่านนักเสกบอกไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่ามันเลวร้าย แต่ว่ามันดีเกินกว่าสภาวะที่ตัวเองจะรองรับได้มันดีเกินไปดีจนกระทั่งเราอยู่ไม่ไหวเวลาเคยเจอข่าวบ้างไมคนมีความสุขมากๆดีใจมากๆตายเพราะอะไรจิตใจร่างกายตนั้นรองรับความสุขตัวนั้นไม่ไหวแต่เวลาบรรลุพระอรหรนันต์นี่มีความสุขมหาศาลความสุขมากครูบาอาจารย์เคยเล่า ว, ว่ามีความสุขเป็นปีเลย ความสุแบบอูยสุขเหมือนจะตายไม่ใช่ทุกข์เหมือนจะตายนะพวกเราอยากกลัวนะว่าเดี๋ยวภาวนานแล้วบรรลุพระอรหันต์จะต้องตายอย่ี้อย่า ก, กลัวนะได้ปรดเถอะหน้าตาเราเนี่ยนะภาวนาให้เต็มที่เถอะะเอาโซดาให้ได้ก่อนนคราวหนึ่งหลวงพ่ออยู่กับหลวงปูดุลแ้วมีน้องคนหนึ่งนะเขาถามหลวงปู่หลวงปู่ครับถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวช จะต้องตายจริงไหมครับตายในวันนั้นจริงไหมครับหลวงปู่ก็ตอบตามตำราว่าไว้อย่างนั้นนี่คำตอบของหลวงปู่ดุล น, นะเราต้องไปคิดเอาเองว่าแปลว่าอะไรตามตำราว่าไว้อย่างนั้นไอคนนี้ก็ฉลาดแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าพระอรหันตนะันไม่มีเพศนะไม่มีเพศพระไม่มีเพศโยมเลยรอกนะ วันนี้ก็นึกในใจโอ้โหลุงปู่ครับละคารว่าทเนี่ยทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมได้วัน <Yeah. S 1> นี้ก็นึกในใจนะว่าถ้างั้นเราไม่ต้องบวชก็ได้เราทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ลุงปู่หันมาตาเขียวเลยนะแค่คิดในใจก็หันมาตาเขียวใส่แล้วบอกว่า <Yeah. S 1> มันจะไม่ได้สิไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าพอนาเดี๋ยววันนี้บรรลุพลาาระอรหันต์แล้วตายจากภรรยายอดรักอ่ะนะ คือตายจากสามียอดดังไม่ต้องตัวน ะ, อ, ะ อ, อีกเยอะอยูนะ่ดูหน้าแล้วทำให้เต็มที่เถอะนะไม่ต้องกังวลห่วงอนาคตแต่หลวงพ่อบอกหลวงปู่นะบอกว่าหลวงปู่ครับถ้าผมนะรูกผ้หาหันแล้วตายเลยผมก็เอานะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยใหอฝึกเอานะไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่เราจะได้มานะคือบรมสุขนิพพานเป็นบรมสุขสภาวะที่ใจเราพ้นจากสิ่งเสียดแทงมีความสุขที่สุดศัตยภาพของมนุษยนะ์เนี่ยเข้าถึงสภาวะอันนี้ได้ดงนั้นเราอย่าดูถูกตัวเองคิดว่าเราทาไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอดีพอดีสำหรับมนุษย์ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปพอดีพอดี งั้นเราอยู่ที่ว่าเราได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องไหมถ้าเคยได้ยินได้ฟังแล้วลงมือปฏิบัติสรุปการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากนะพราะเราถือศีลห้าไว้อันแรกให้มีศีลห้าไว้ขาดบ้างด่างคล้อยบ้างอะไรก็ช่างบันเถอะตั้งใจรักษาให้ดีตั้งใจให้มากที่สุดที่จะทําได้ทุกวันฝึกกรรมฐานเพื่อให้จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวให้รู้สึกตัวทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ วันนึงสักสิานาทีก็พอไม่ได้ขอเยอะเลยนะขอสิบห้นาทีจะนั่งหายใจเข้าพูดออกโทจอรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าจะเดินจงกรมจะทำอะไรก็ได้จะขยับมือทำจังหวะอะไรก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตะจะประโยชน์นี้ให้ดีนะให้ทํากรรมฐานอันหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตใจของตัวเองไม่ใช่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งให้ใจสงบนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันใจของตัวเอง เช่นทำกรรมฐานไปแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันว่าใจหนีไปคิดทำกรรมฐานไปนะใจรู้สึกตัวก็รู้อยู่ใจหนีไปคิดก็รู้ใจไหลไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้ใช่นรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ดังนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขยับมืออย่างหลงพ่อเจียนก็ได้ขยับไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเท่งใส่มือก็รู้ดูท้องฟองยุบก็ได้ือท้องฟองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ ใจไปเพ่งทองก็รู้โตรที่หนีไปคิดนี่แหละเป็นการสุขาริการโยกตรงที่ไปเพ่งใส่มือใส่เท้าใส่ท้องใส่ลมหายใจเป็นอัตตะกิลมะฐานโยกนะให้รู้ทันตัวนี้ไปเรื่อยๆนะี่นจะสุดโต่งไปข้างตามกิเลสนะกับสุดโต่งข้างบังคับตัวเองสลับไปสลับมาไม่ต้องตกใจนะให้คอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหลไปจะไหลไปข้างไหนก็ตามเถอะ เมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยภาวะแห่งความตื่นหรือภาวะแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเป็นขณะขณะขณะนะยิ่งฝึกไปด้วยความรู้ส forward forward, ึกตัวยิ่งถี Living ่ยิบขึ้นมาจนกระทั่งมันเหมือนเรารู้สึกตัวทั้งวันเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวหมดจะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวตื่นนอนมาปุ๊บรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเลยเนี่ยฝึกให้มากนะแล้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ย จเจริญปัญญาวิธีจเจริญปัญญาก็คือให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแต่กระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภปลืดหลงเกิดดีอะไรนี้ให้รู้ไปด้วยมีความเคลื่อนไหวในร่างกายเราคอยรู้มีความเคลื่อนไหวในจิตใจก็รู้เรื่องการปฏิบัติที่แท้จริงอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรา นะแล้วถ้าปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดวิโร่างกายคือตัวทุกข์จิตใจคือตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้ได้นะอย่างแท้จริงนะก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนั้นแนหะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ลาสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคตรงนั้นเลนะยงั้นไม่ใช่เรื่องยากนะถือศีลห้าไว้ฝึกในรูปแบบทุกวันเพื่อจะซ้อมให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งใจหนีไปรู้ใจหนีไปรู้ใจก็จะอยู่กับตัว จิตใจอยู่กับตัวแล้วเนี่ยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกในที่สุดก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเข้าใจเบื้องต้นก็คือกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะกายเป็นแค่วัตถุที่ยืมโลกมาใช้ชั่วคราวไม่นานก็ต้องคืนจิตใจก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกเราสั่งไม่ได้ นี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะถ้าปัญญาขั้นปลายจะรู้เลยกายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์มันจะลงมาที่ตัวทุกข์หนึ่รู้ทุกข์แจ่มแจง้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จะพ้นทุกข์แล้วนะีทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ไปฝึกเข้าอย่าให้เสียชาติเกิดมาเป็นชาวพุทธนะเบางคนเสียชาติเกิดจริงๆเลยคนในโลกนี้มีเจ็ดพันล้านมั้งที่เป็นชาวพุทธจริงๆมีไม่เท่าไหร่ ที่แกล้งป้ายว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยมีไม่มากอ่ะแล้วก็ที่เป็นชาวพุทธจริงๆเลยไม่ใช่ชาวพุทธแต่ป้ายะนะมีนิดเดียวจํานวนน้อยมากๆเลยเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วแหละตอนนี้นอยู่ที่พวกเราแล้วล่ะจะต้องฝึกสือศีลรู้สึกตัวดูกายดูใจทํางานไปเดี๋ยววันหนึ่งเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงหรือว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริง ถ้าบรรลุพระอรหันต์นะจะมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นวนะ่าพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆนะ์เป็นอันเดียวกันมีความรู้สึกอย่างนะั้นเกิดขึ้นเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เสมอกันนั้นจะกลืนเป็นอันเดียวกันขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์และพอสมควรในเวลาค่ะครับเรียนพระ อ, อาจารย์ค่ะคือ อยากจะกราบขอคาแนะนำปฏิบัติด้วยการดูลมหายใจเราเคยชินเรียเพ่งที่ฝึกมากเก่าๆฝึกเพง่งฝึกจ้องมาเปลี่ยนมาแค่รู้สึกที่พัฒนาที่ทำมานี่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะใจมันเปลี่ยนแปลเห็นไหมเปลี่ยนคะแต่ยังมีการเพ่งอยู่ด้วยความเคยชิดตกเก่าเวลาเพ่งใจมันแน่ น, น อ, <ช>อีกท่ับ ทำไมมันเพง่งเพราะมันอยากดีถ้าอยากดีใช่ไหมความอยากเป็นกิเลสก็เกิดการเพง่งเป็นการการะทํากรรมเกิดบิบากคือความแน่นความอึดอัดงนะั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันใจที่อยากนะอยากปฏิบัติก็รู้แล้วมันก็จะไม่เพง่งแต่ว่าจะสั่งให้ไม่เพง่งไม่ได้เพราะมันเคยชินที่จะเพง่งจะแก้ยังไงแก้ไม่ได้มันยังเคยชินที่จะเพง่ง ให้รู้ทันไปเรื่อยๆนะ้มันแก้ตัวของมันเองสังเกตไหมว่ามันเพ่งน้อยล ง, งนั่นแหละให้รู้อย่างนะี้นี่ยเรารู้ทันว่ามันเพ่งมันจะค่อยๆคลายของมันเองไปสั่งมันให้เลิกเพง่งสั่งไม่ได้หรอกถ้าสั่งให้เลิกเพ่งได้แนละ้วหนูอย่าไปสั่งให้เลิกเพง่งสั่งอะไรจงบรรลุมรรคผลไหนๆก็สั่งได้แล้วนี่ใช่สั่งไม่ได้ฝึกทำไมเอก อ, อ, อีก อ, อะต่อไป มรดกการหลพอจ้าก็ไม่คือตอนนี้ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงดีอะค่ะรู้สึกที่ร่างกายให้มากๆนะอย่าลืมร่างกายร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายเคลื่อนไหวอนะไรนีให้รู้สึกดูเหมือนเห็นคนอื่นทํางานนะ่ะเห็นคนอื่นกวาดบ้านเห็นคนอื่นผูบ้านเห็นคนอื่นเดินไปเดินมาเราดูร่างกายเราเนเหมือนเห็นคนอื่นทํางานไปแล้วก็รู้สึกขึ้นมาเลย ร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าฝึกบ่อยๆนะ ร, รู้สึกเราด้านจิตใจนะคะแล้วครั้งหนึงเก็บจิตใจนะคะดูดูดูจิตใจเนี่ยยังดูไม่ออกเพราะว่าจงใจจะดูจะดูไม่ออกงั้นเรารู้สึกร่างกายก่อนถ้าเรารู้สึกกายเป็นสบายๆเดี๋ยวก็เห็นจิตเองเลยไม่ยากหรอกคิดเยอะถ้าคิดเยอะดูจิตยากค่ะ ดูกายไปก่อนร่างกายมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันโผล่อยู่ให้เราดูได้ทั้งวันอยู่แล้วแต่จิตใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเปรี้ยวหาไปนะไม่เจอสักจีโกรธเป็นไหมโกรธบ่อยอะค่ะโอ้ดีเรื <c oughs> อ่องนั้นแหละเรียกว่าดูจิตแต่เป็นนี้ถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธนะไม่ใช่ว่าทํายังไงจะหายโกรธ <c oughs> แค่โกรธแล้ว ร, รู้ว่าโกรธแต่ถ้าใจมันเฉยเฉยไม่มีอะไรให้รู้สึกนะก็รู้สึกร่างกายไป <c oughs> ค, ค่ะน้ำตาลค่ะกลัวเครียดด้วยค่ะนั่งเพ่งตั้งแต่ตอนเริ่มฟังหลวงพ่อเทศเลยค่ะอะไรนะนั่งเพ่งตัวแข็งตั้งแต่เริ่มฟังไม่น่าไปจับฉลากอะไรกับเขาเลยกราให้ผลนะอยู่ดีๆก็อ ย, <c oughs> อยากจะมาส่งกันบ้านคือหนูปฏิพัตมาได้หลายปีค่ะเริ่มจากฟังซีดีของอไปใส่ใจเอานะ ใจมีความสดชื่นก็รู้ใจมีความเศร้าหมองก็รู้เราจะเห็นว่าใจเนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเ้อรู้ไปเลยไม่ใช่ฝึกให้ให้มันดีนะไม่ใช่ฝึกให้มันสุขให้มันสงบให้มันดีแต่ฝึกให้เห็นว่าไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะสงบหรือจะฟุ้งซ่านจะดีหรือจะเลวก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นดูไปที่ความชั่วคราวของใจดูไปเรื่อย บางครั้งก็จะเห็นว่ามันชั่วคราวมันเกิดแล้วมันดับนั่นแหละดูอย่างนั่นแหละแต่บางครั้งก็จะไม่เห็นแบบนั้นเออถ้าไม่เห็นอะไรก็กลับมาอยู่กับร่างกายบางครั้งก็จะเห็นว่าตัวเองฟุงฟ้งซ่านฟุ้งไปเยอะเลยนั่นแหละฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ฝึกให้หายฝึกให้รู้ว่ า, ามันฟุ้งซ่านแล้วมันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านจะรู้เราจะเห็นไม่มีอะไรที่เราบังคับได้มีแต่ของเปลี่ยนแปลงฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราว สุขก็่วคราวทุกข์ก็่วคราวดีก็ช่วคขราล์ชั่วก็ช่วคราวดูให้เห็นว่าทุกอย่างในใจเราเนี่ยเป็ของโชคขราล์ไปดูตัวนี้บ่อยๆกลับมาสักการหลวงพ่อสิค่ะครั้งที่เราหลวงพ่อให้ไปดูเรื่องอนัตตาค่ะก็หลวงเป็นคนคิดมากค่ะดูแล้วรู้สึกไหมว่าเราบังคับใจเราไม่ได้ค่ะ ไม่ต้องไปดูตัวไหนหรอกดูใจเราเนี่ ย, รยเราจะเห็นเลยเราบังคับใจเราไม่ได้สั่งมันไม่ได้สักเรื่องไปดูบ่อยๆ อ, อ, อ๋อมีคําถามถามหลวงพ่อหนึงค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าต้องตายวันนี้ค่ะหลวงพ่อก็คือตอนนี้เป็นดูจิตแต่ว่าตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดตอนจะตายเนี่ยมันจะมีเวทนาเยอะมากใช่ไหมเจ้ค่ ะ, คะแล้วเรามีแค่คณิกะสมาธิแล้วเราจะดู ติดตอนนั้นได้ไงเนี้ยคะะ่ะฝึกดูฝึกดูตอนยังไม่ทันจะตายเนี่ยให้ชำนาญ น, นะเวลาจะตายถึงจะเจ็บมากก็จริงอ่ะดูวนจะตายจริงๆริงยจิตจะตัดความรับรู้ทางกายออกจะรวมเข้าไปรู้ความรู้สึกในใจเนี่นตอนนั้นอ่ะถ้าเราฝึกดูจิตไว้ชํานาญก็เอาตัวรอดได้ไม่มีกายให้ดูหรอกตอนนั้นอันนี้ทําปฏิบัติ ด, ดีขึ้นบ้างไหมค่ะดีขึ้นค่ะบจะ ค่ะคือหนูเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนแบบแปเปลวไฟหนูไม่ไกรธได้เองใช่ค่ะหนูไปดูเลยนะความรู้สึกทุกชนิดเกิดได้เองดูตัวนี้บ่อยๆรับความโกรธอะ่ะแสดงได้ชัดมันพุ่งขึ้นมาเองรู้สึกไหมพุ่งขึ้นมาจากกลางอกนะพุ่งพ่วดขึ้นมาถ้าไม่โกรธแรงก็ขึ้นถึงหัวถ้าโกรธไม่แรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็หายไปแล้วที่เห็นเป็นเปลวไฟนี่เป็นนิมิตหรือ่าเป็นนิมิตอ๋อ แต่ก็ทำได้ถูกรู้ความรู้สึกอ่ะควรู้สึกโกรธเกิดขึ้นก็รู้ไม่ได้ดูที่ตัวนิมิตหรอกไม่ได้ดูที่ตัวไฟนะดูที่ตัวความรู้สึกความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกโกรธหายไปก็รู้คือหลังหลังจากนั้นเนี่ยคือเรื่องที่หนูโกรธเพื่อนเนี่ยคือเหมือนกับพอพอพอเห็นโกรธปุ๊บหลังจากนั้นหนูไม่โกรธเพื่อนคนนี้อีกเลยก็คือถูกต้องช เวลาไม่โกรธมีสองแบบนะไม่โกรธที่ถูกต้องก็มีไม่โกรธเพราะว่าใจเป็นล็อกนิ่งๆอยู่ก็มีนะอย่างใจหนูขนาดนี้ยเป็นล็อกนิ่งๆอยู่ขนาดนี้นะพอมันตื่นเต้นแล้วมันก็นิ่งๆอย่างเงี้ยไม่โกรธหรอกถ้าใจธรรมดาเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วก็โกรธบ้างไม่โกรธบ้างแต่ถ้าใจที่เพ่งอยู่ไม่ยอมโกรธสักทีเออหลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้หนูควรบริกรรมไหมคะ นูอย่ให้โหดร้ายกับตัวเองเกิอน อ, อาวนาให้มันสบายสบายไปโอ้ทำบับริกรรมไปก็ได้ใช่ไหมคบริกรรมก็สบายสบายไม่ใช่ว่ า, ต, วาต้องสงบอ๋อค่่เอหลวงพ่อคะบางทีคือหนูเห็นความทุกข์มันผุดขึ้นมาแล้วมันพยายามจะมาเกาะจิตแล้วแบบมือนมันหลุดลุยไปแล้วก็รู้ทันวี า, าจิตไม่ชอบออือรู้ที่จิตเนี่ยจิตไม่ชอบ ไม่ใช่ไปดูตัวที่จะมาเกาะนะทําไงจะหายจําเป็น อ, อเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็กราบขอขมาหลวงพ่อด้ค่ะกราบในพการค่ะหลวงพ่อคือครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูให้รู้ทันความเศร้าหมองกับความฟูซ่าก็รู้สึกก็ทำตาม<า> แ, แล้วก็รู้สึกพัฒนาขึ้นเป็นระดับค่ะแล้วก็มีขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็ ภาพรวมคือรู้สึกว่ามีความตั้งมั่นดีขึ้นดีข well well ึ้นค่ะไปทําอีกนะทําให้สม่ําเสมอนะค่ะไม่มีอะไรติดขัดที่หนูไม่รู้ตัวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะการละเมิดการของข้อเจตนาและของคำมารเจตนาของคำแนะนําเขาคําแนะนําจากองคข้อก่อนแนมาตั้งชั่วโมงกว่าครับคือปฏิบัติอยู่รู้สึกว่า ตัวเองรู้สึกเองหรือว่ากายกับจิตแยกกันถูกจริงปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมเราวรแยกกันแต่จิตขาดนี้ไม่ปกติดูออกไหมตื่นเต้นจะค่ะตื่นเต้นแล้วเราไปกดมนะหลงหลวงมนคะ่ะ ถ, ถ้ารู้ทันสภาวะที่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่ได้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปจะมีสมาธิน้อยแต่นิดห น, นึง่ง ม, มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ ลมหายใจเราหายใจให้หลวงพ่อดูหายใจแล้วรู้สึกตัวนะไม่ใช่หายใจแล้วบังคับจิตให่นี่หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วใจหนีไปยก็รู้ทันหายใจแล้วใจไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันไปฝึกหายใจแล้วรู้ทันใจบ่อยๆใช้ได้ข่าวนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับอยากขอความเมตตาว่าตอนนี้รู้สึกไหมไกลกับแใจคนละอันกัน พอเห็นไหมมีบ้างครับรู้สึกหรือเล่ว่าความรู้สึกกระใจงอโคลนอันความโกรธกต่ใจโคลนครันตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าครับถูกตรงนครับสังเกตให้ใจเราเปลี่ยนไปครับดีแล้วล่ะตรงนครับมาเจ้าค่ะ พ อ, อดีจะถามหลวงพ่อนะคะเพราะเออคือเคยหนูมีความรู้สึกว่ามีอยู่วันหนึ่งเหมันหนูสวดบนในห้องพระอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปิติขึ้นในแบบที่หนูไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ห่างกันอีกสักประมาณเดือนกว่าสองเดืนอนเงี้ยค่ะมันก็จะมีเกิดครั้งที่สองแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันเหมือนจิตมันจะสว่าง่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนจะมีสปอตไลท์ที่ใจอย่างเงี้ยมันจะสว่างอย่างเงี้ยนะเป็นลิมิตนะไม่ใช่มรรคผลหรอกค่ะะก็คือหนูจะถามหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะคือครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดไม่เหมือนกันทีนี้มันทีนี้หนูก็จะฟัง youtube ของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตทีนี้หนูก็ดูจิตทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งหนูลืมขององเงี้ยค่ะทีนี้จิตมันก็บอกว่าเราลืมของสติมันก็ตามมาทีนี้หนูก็มีความรู้สึกว่า ระหว่างจิตกับสติเนี่ยมันคนละส่วนกันใช่ทีนี้คือครั้งที่สองเนี่ยคือคือคือหนูปวดท้องคือคือจิตมันก็บอกว่าเราเนี่ยปวดท้องเสร็จปุ๊บร่างกายมันก็บอกอาการว่าเราปวดไงค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าจิตกับร่างกายมันก็คนละส่วนใชอ่อย่างนี้หนูมาถูกทางหรือเปล่าถูกแล้วค่ะทีนี้หนูจะขอการบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะสบายๆนะค่ะประหยัดสบายอย่าให้ใจมันเครียดค่ะเตียนเครียดไปค่ะ ตอนนาเหมือนทําเล่นๆ อ, อ่ะดูดูเล่นๆค่ะและ้วที่หนูทํำไม่ถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะมันเครียดไปเครียดอ<ม>่ะเจค่ะจริงจังไปอ๋อค่ะค่ะขอค่ขอรัอบค่ะนึกออกไหมนึกอออกไหมว่ามันมันจริงจังไปก็ขนาดที่มันเกิดเนี่ยคือคือหนูหนูเดินทํางานไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้นั่งสมาธินะเจ้าค่ะ เราเห็นกายเห็นใจเคขาเคลื่อนไหวไปนะคะเรารู้ไปสบายๆน <UCLA. S 2> ิมิตแสงสีเสียงอะไรไม่มีนยัยยะอะไระสําคัญอะไรนะเจ้าค่ะสำคัญที่ว่าเรารู้ปัจจุบันไปไหมว่าลมปัจจุบัน <UCLA. S 2> มันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมั น, มนร้นายะ <UCLA. S 2> มันเคลื่อนไหวรู้สบายๆเ <UCLA. S 2> จ้าค่ะเกณฑ์ในหลักของการบ้านต้องสบายๆเอาจริงเจาค คุณเจ้าค่ะในโอกาสนี้นะครับก็เดี๋ยวจะกล่าวคำถวายสังฆทานไปพร้อมกันเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านกล่าวตามนะครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวาณทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงค์โปรดลับพระไตจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทินอ่นะเจ้านนะ ยถาวริวหาภูราปริภูเรนตีสาคลังนิวะเมวะยโตทินังเปตานังอปกรปติยะชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิฉตุสัพเพภุเรนตสังกปาจันโทปนารโสยถาม่นีโชติรโสยถาสัพพิตโยวิวัตฉันตุสัพพารโขวินัสตุ มาเตพวัดวันตราโยสุขีที่ทายยโกภวะอภิวาทนาสีเลสนนจังวุทาปจายโนจตตาโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังเดี๋ยวกันเทศนะม อ, อบอกอบมอบให้โวงบยาบาลไห้สำหรับช่วยผู้ป่วยที่ยากจนนะนทุ ถ้าฆ่าด้วยถิ่วไปแจกได้ก็ได้นะศโสงาอาปราช